ในมาขึ้นข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนนกายมูลปัญ น, นาฏวันนี้มาขึ้นจุลหัตถิปโทปะมะสูตรแค่ว่าเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างแต่เป็นสูตรเล็กนยนะข้างหน้าต่อไปจะเป็นสูตรใหญ่ในหน้า470ข้อ329ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถเป็นธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถที่เทียมด้วยลามีเครื่องประดับขาวทุกอย่างในเวลาเที่ยงวันแสดงว่าขับรถโชว์นะสมัยใหม่เมื่อก่อนก็ขับรถโชว์ คือเป็นรถที่มีราคาสูงมากโคกลาก็ขาวหรือว่าม้าก็ขาวเครื่องประดับรถก็ขาวคนที่คือทุกอย่างสำเร็จด้วยเงินซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีนะมันเขาจะโชว์สมบัติให้คนอื่นดูทุกหกเดือนก็เป็นเป็นรายการแบบเรียกว่าเฮือร่ำเฮอรวยเหมือนกันนะกนะ็แสดงเพื่อที่จะประกาศความเป็นผู้ที่มีทรัพย์มาก เป็นรถเครื่องประดับที่มีบริวารมีประชาชนแห่แหนมีการประกาศแจ้งข่าวล่วงหน้าว่าเขาจะจะเที่ยวเมืองวันนั้นเถอะเขาจะโชว์รถโชว์ความมั่งคั่งเนี่ยนะในขณะที่ไปด้วยรถที่เทียมด้วยลา น, นั้นอ่ะเป็นเวลาเที่ยงวันพอดีก็ไปเห็นปิโลติกะปริภาชกเดินมาแต่จากที่ไกลแล้วก็ได้กล่าวกับปิโลติกะปริภาชกว่าเออแนะ่ ท่านวัชยนะมาจากไหนแต่เที่ยงวันก็เรียกกันตามนามสกุลน่ยนะชื่อจริงเขาชื่อว่าปิโลติกะนามสกุลก็เรียกว่าวัชยนะเขานิยมเรียกกันตามนามสกุลอย่างพระพุทธเจ้าก็าเรียกว่าโคตมคโคธหรือพระสมณโคดมเนี่ยก็เรียกตามโคธเนี่ยนะโคตมคโคธหรือพระกสปะพุทธเจ้าก็เรียกว่ากสปะโคธเนี่ยนะเขาเรียกกันตามโคธแต่สมมติภาษาไทยเรียกนี้ไม่ได้ไนะไม่เรียกโคดกันไม่ได้ถือว่าไม่เคารพนะนะ เรียกได้ยังไงแต่ถ้าคนแขกเขาจะถือว่าการที่เรียกโคตรตระกูลเนี่ยเรียกถือว่าเคารพมากนะยกย่องใครเรียกว่ายกย่องเป็นผู้ดีมีตระกูลตระกูลของเขาเนี่ยเป็นตระกูลเก่าตระกูลแก่เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นตน้นั้นการเรียกชื่อเอ่ยชื่อตระกูลว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรที่มีตระกูลเนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชาติชั้นวั น, นะ น, นะบานภาพบุรุษของเขาเนี่ยชัดเจนไม่ใช่ว่าสเปะสปะมานะเป็นผู้ดีเก่าวังเป็นผู้ดีเหมือนกันเถอะ ประกาศถึงลักษณะความเป็นผู้ดีของเขาก็เลยเรียกกันเป็นนามสกุลแล้วก็วัดฉายนาะท่านมาจากไหนแต่เที่ยงวันปิโลติกะปริภาโชคก็ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาในที่นี้เนี่ยนะจากสำนักของพระสมณะโคดมนั่นและน่นมาจากพระเชตวันเนี่ยนะมาจากเชตวันเข้าไปบำรุงพระพุทธเจ้าชานุโสนีพราหมณ์ก็ถามว่าท่านผู้เจริญ บัณฑิตย่อมสำคัญความมีปัญญาและความฉลาดของพระสมณะโคดมเนี่ยเป็นอย่างไรก็เป็นคำถามลักษณะถามว่าท่านคิดว่าพระสมณะโคดมมีปัญญาแค่ไหนมีความฉลาดแค่ไหนว่าถามถึงความรู้ความสามารถอ่ะท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดแค่ไหนอย่างไรปิโลติกะปริภาชก็ตอบว่าท่านผู้จเจริญ ก็ฉไนข้าพเจ้าจ cool <Yeah. S 1> really ักรู้ความมีปัญญาของพระสมณะโคดมได้ฉไนข้าพเจ้าจักรู้จักความฉลาดของพระสมณะโคดมได้เพราะผู้ที่จะพึงรู้ความมีปัญญาของพระสมณะโคดมคนนั้นก็ต้องมีคนนั้นจะต้องมีปัญญาเช่นกับพระสมณะโคดมใครที่จะรู้จักความฉลาดของพระสมณะโคดมคนนั้นก็ต้องฉลาดเช่นกับพระสมณะโคดม มันจะต้องคล้ายๆกันมันจะต้องพอๆกันสิจึงจะรู้ว่าพระสมณโคดมนั้นมีปัญญาเพียงใดมีความฉลาดแค่ไหนเพว่ามันต้องใกล้ๆกันหน่อยใช่มมันจึงจะวัดกันได้มันจึงจะเปรียบกันได้ซึ่งอัตถกถาก็บอกว่าเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดมันจะต้องยาวพอๆกับสิ่งที่ถูกวัดมันจึงจะเข้าใจกันว่ามันแค่ไหนและอย่างไร สมมติถ้าเปรียบภูเขากับภูเขาก็ต้องเอาภูเขาด้วยกันมาเปรียบใช่ไหมเปรียบแม่น้ําก็ต้องเอาน้ําด้วยกันเป็นต้นมาเปรียบฉันใดถ้าเปรียบปัญญาเปรียบความฉลาดของพระพุทธเจ้าคนที่จะเปรียบก็ต้องฉลาดฉันนั้นเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าแม้แต่พระอัครสาวกท่านก็บอกว่าถ้าตัวท่านเองถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้าก็คือเมล็ดพันธุ์ผกาดเปรียบเขาเปรียบแับภูเขาสีเนรุเนี่ยนะห่างกันขนาดนั้นห่างกันเยอะเนี่ยนะ พ่ออะไรอีกพู้หนึ่งในฐานะสาวกอีกผู้หนึ่งในฐานะพระศาสดาอีกผู้หนึ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสาวกอีกผู้หนึ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต่างกันเยอะทีนี้ถ้าเทียบกับโลกียะมหาชนทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าหากว่าแบบเปรียบเป็นรูปธรรมแบบพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเราก็กางคืนเราก็จุดเทียนสว่างไอคนนี้เห็นแต่แสงเทียนไม่เคยรู้จักแสงอาทิตย์ก็มาถามว่า แสงอาทิตย์ของท่านสว่างแค่ไหนเอ่อแสงเทียนแสงอาทิตย์เนี่ยสว่างเหมือนแสงเทียนของท่านไหมเราจะตอบก็ว่างไงเออเนี่ยเราก็จุดเทียนบูชาพระสมมติ น, นนะก็เห็นแสงสว่างแห่งดวงเทียนเนี่ยลมพัดมั่งไม่พัดมั่งริบปรีรีบปรีเนี่ยนะถ้าเทียบกับแสงอาทิตย์เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมมันต่างกันเยอะเนี่ยนะเขามาเคยเข้าไปลอดถ้ำหลายที่นะเขาก็พาไปเที่ยวถ้ำนะก็ลอดนะมันมันมืดหนักข้างในนั้นมันมืด หรือว่าเจดีย์บางแห่งเนี่ยถ้าจะเข้าไปก็ต้องจุดเทียนเข้าไปมันมืดมากนะ น, นะจุดเทียนหนึ่งดวงมันก็ยังรู้สึกมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรเพราะเราพลามาจากการดูอ่าโดยใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไปอยู่ตั้งนั้นกว่าจะพอมองเห็นชั้นใดถ้าเราเปรียบสติปัญญาเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็เหมือนกับแสงเทียนแสงเหี่งห้อยที่มันรีปรีเต็มทีถ้าเทียบกับ แสงสว่างของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาแสงสว่างสองสว่างเช่นกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันดวงเดียวใช่ไหมบอกไม่พันดวงนะดวงอาทิตย์สองสว่างยามเที่ยงวันพันดวงฉันใดปัญญาของพระพุทธเจ้ารุ่งโรจน์เหนือสรรพสัพตว์ทั้งหลายเช่นกับแสงไฟธรรมดาปกติฉันนั้นเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าสองสว่างรู้ทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันมัณยานของพระองค์จึงไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์ปรารถนาประสงค์จะรู้เพียงใดพระองค์กร็รู้ได้เพียงนั้นและสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยนิดหน่อยที่พระองค์ไม่เคยพิจารณาไม่มีเลยนะฮะพระองค์จึงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดสิ่งที่ควรรู้มีปริมาณเท่าใดพระพุทธเจ้ารู้หมดอย่างเราคิดอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าคิดอะไรเราไม่รู้เนี่ยนะ เขาบอกว่าคนตาดีไม่เห็นคนตาบอดหรอไอ้คนตาบอดเนี่ยเห็นคนตาดีเขาว่างั้นฉันใดพระพุทธเจ้าก็อ่ะนะคนตาคนตาดีเห็นคนตาบอดใช่อ่านะพูดประมาไม่ได้เข้าใจผิดเลยนะแสดงว่าเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นตั้งนานละเขาบอกว่าคนตาบอดมองไม่เห็นคนตาดีฉันใดคนตาดีเนี่ยนะมองเห็นคนตาบอดฉันนั้นคือคือมันตรงกันข้ามกันเลยอ่ะฉันใดก็ดีวิสัย จินตนาการความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจวิสัยของพระพุทธเจ้าพันในฐานะของผู้ที่ปรารถนาจะรู้ตามเนี่ยจนะจึ ง, จ ง, จงต้องหมั่นสใส่ใจหมั่นมานาสิการวันก่อนไปอ่านสูตรหนึ่งที่พระอริยสัคระสาวกท่านสนทนากาันมีภาษารีบทพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะพระอนุท์พระเรวัตะพระนุรุเนี่ยท่านสนทนากาัน สนทนาการเสร็จแล้วเนี่ยนะบอกว่าเราเอาเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังดูสิคําของใครเป็นสุภาษิตคือพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างไรเราต้องจําอย่างนั้นนั้นพวกเราพูดอะไรก็คุยกันไปเถอะแตะ่ความมาตรฐานเนี่ยนะอยู่ที่พระพุทธเจ้าพราะพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเราก็จะกําหนดจดจําแล้วก็ส่งไว้อย่างนั้นซึ่งขนาดว่าท่านเหล่านั้นนะพระสารีบุตรพระโมกขลานะพระมหากะระสปะพระอนุ์พรัตน แต่ละองค์นี่เก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะแต่ท่านเหล่านั้นก็บอกก็ไม่ถือเอาความเห็นของตัวเองเป็นประมาณฉลาดขนาดนั้นยังไม่เอาตัวเองเป็นประมาณเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ก็รู้จริงเป็นผู้เห็นก็เห็นจริงเนี่ยนะเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาใครเล่าเนาะจะมีปัญญาไปเปรียบเทียบกับพระองค์ได้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นปิโลติกะปริพาชกเขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นใครเนี่ยนะและฉะนันข้าพเจ้าจะไปรู้สติปัญญารู้ความเฉลียวฉลาดของพระสมณะโคโดมคือพระพุทธเจ้าใดเล่าเนี่ยนะห่างกันเยอะเนี่ยนะชานุโสณีพราหมณ์ก็กล่าวต่อไปว่าท่านวัชยานะท่านสรนเสริญท่านพระสมณะโคโดมด้วยการสรนเสริญอย่างยิ่งอู้นี่มันเป็นการสรรเสริญยกย่อ ง, งชมเชยกันสุดๆ ส, สูงสุดแล้วนะเนี่ย ปิโลติกะประิภาชกกะกล่าวว่าข้าพเจ้าจักสรรเสริญท่านพระสมณะโคดมยด้อย่างไรเล่าก็หมายความว่าไอ้ที่ข้าพเจ้าชมเนี่ยมันเล็กน้อยมันเป็นเสียงขึ้นอะไรนะถ้าเป็นเสียงนี่ก็เป็นเสียงกลองกลองเล็กเล็กเลยน้อยที่ตีออกมาดังเท่านั้นเลยเนะเพราะอะไรเพราะท่านพระสมณะโคดมนั้นใครใครก็สรรเสริญแล้วแล้วเล่าๆใครใครก็สรรเสริญสรรเสริญพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีต จ, จบจน ปัจจุบันอย่างวันนี้เสียงกระหึ่มที่กล่าวว่าอิติปิโสภควาเนี่ยนะยอมว่าดังกี่รอบดิทั่วโลกนะเนี่ยนะตั้งแต่มนุษยโลกเทวโลกจนถึงพรหมโลกเนี่ยนะที่กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยเสียงชมวันนี้เนี่ยเสียงชมเท่าไหร่ย่งน้อยพวกเราก็อิติปิโสกันแล้วใช่ไหมพวกเราก็กี่คนก็นับกันไปแล้วก็คงไม่ใช่รอบเดียวในชะ่ไหมคงอีกหลายครั้งด้วยกันเมื่อวานวานก่อนก็สรรเสริญ ม, มาปีก่อนหลายสิปีก่อ น, ก, อนก็สรรเสริญกันมา หรือไม่ใช่แต่พวกเราเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลายณนะที่แห่งหนตามที่ต่างๆเนี่ยนะเขาสรรเสริญพระพุทธคุณกันทั้งนั้นนะ่ะตั้งแต่ปัจจุบันไล่ไปถึงอดีตอดีตจนถึงโน้นสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เสียงสรรเสริญยกย่องบูชาว่าเขาชมพรพุทธเจ้าชมว่ายังไงก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสปรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรเป็นสารถีผู้ฝึกบุุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะ แล้วก็ส่งผู้ส่งพระคุณอื่นๆอีกอันหาประมาณไม่ได้หาที่สุดไม่ได้เพราะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับคำยกย่องได้รับคำสรรเสริญตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันปุถุชนทั่วไปผู้มีศรัทธาก็สรรเสริญ น, นี่ยนะผู้ประกอบด้วยศีลผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญพระองค์พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ สรรเสริญพระองค์เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นที่ยกย่องเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่บูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเทียบถึงว่าคนปกติทั่วๆไปที่ได้รับคํายกย่องสรรเสริญก็อย่างเช่นพระราชาห้ายองค์ที่มีอํานาจเนี่ยนะได้รับคําสรรเสริญก็เฉพาะหน้าแต่รับหลังเน่ชักไม่แน่ใจแล้วนะ รับหลังเนี่ยมาว่าขุดมาด่ากันแค่ไหนไม่ทราบเนี่ยน ะ, ะสันเสริญเฉพาะหน้ากลัวคอขาดเป็นต้นหรือไม่ก็สรนเสริญชั่วมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วซึ่งต่างจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะซึ่งใครๆก็สรนเสริญพระคุณของพระองค์ทางนั้นแหละย้อนกลับมาอีกในเะื้หนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าพระสมณโคดมเนี่ยนะ ผู้อันใครๆหรือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาก็สรรเสริญพระองค์กันทั้งนั้นแหละแล้วก็มีบทอันหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครตัวท่านปิโลติกะเป็นใครจึงจะรู้ปัญญาหรือรู้ความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็บอกว่าผู้ใดจะพึงรู้ปัญญาและความฉลาดของพระสมณะโคโดมแม้ผู้นั้นก็ต้องบาเพ็ญบารมีสิ บรรลุพระสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้น